แนะนำบทอะจูมัตบทอะจูมัตเป็นบทมัคกคกิยมี75องค์การที่กล่าวถึงหลักการตอ่อธีบอย่างละเอียดตรงกระทั่งเกือบจะเป็นการหลักของบทนี้เพราะมันเป็นรากฐานของการศรัทธาและเป็นรากฐานของการงานที่ดีบทได้เริ่มกล่าวถึงอุลุกรารซึ่งเป็นปฏิหารอันยิ่งใหญ่คู่ชีวิตของมุฮัมมัดอิบนุอับดุลละและการใช้ท่ารอซูลมีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติศาสนาขิจต่ออัลละ ให้ความบริสุทธิ์ต่อพระองค์โดยการพิจารณาดูสิ่งที่ถูกสร้างและในบทได้ตอบโต้พ่อขัขาเหล่านั้นด้วยหลักฐานอย่างชัดเจนบทได้กล่าวถึงหลักการเชื่อมั่นอย่างชัดแจ้งและได้เปิดเผย ถ, ถึงภาพลักษณ์แห่งการขาดทุนอย่างย่อยยับของการพวกปฏิเสธศรัทธาในโลกแห่งการตอบแทนคืออาครโดยที่พวกเขาจะได้ริมรถการลงโทษนานาชนิด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 คำพีนี้ถูกประธานลงมาจากอัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชาญาณแท้จริงเราได้ประธานคำพีมายาังเจ้าด้วยสัจธรรมดังนั้นเจ้าจงคารพทักดีต่ออัลลอ์ โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์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 ถ้าจริงอัลลอฮ์จะทรงตัดสิสนระหว่างพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันถ้าจริงอัลลอด์จะไม่ทรงให้ทางนำแก่ผู้กล่าวเพ็้ยผู้ปฏิเสธศรัทธ า, า, า, าหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์จะมีพระบุตร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 เพิ่งทราบเถิดพระองค์เป็นผู้ทรอ ง, องอำนาจผู้ทรงอภัยยมมะะมมิ่ง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 และทรงประทานปัสสูสัตต์แปดคู่แก่พวกเจ้าพระองค์ทรงสร้างพวกเจ้าในทันมารดาของพวกเจ้าเป็นการบังเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าในความมืดสามชัน้นนั่นคืออัลลอฮ์พระผู้อุบาลของพวกเจ้าอำนาจเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าใดนอกจากพระองค์แล้วทำไมพวกเจ้าจึงผินหน้าไปทางอื่นออออินนนจะัล ولا يضال عباده الكافر وإن تشكروا ي ض ه لكم ولا تزروا ز ر ة و ز ر ة أخرى ثم إلى ربكم رجعكم ف ي ن ب ئ ك م بما كنتم تعملون إنه عليم ب د ا ت الصدور. ها أبدا قلت سيستحى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 أَمَنْهُ ّ و َ ق َ ا ل ِ ت ٌ آ ن َ ا ء َ ا ل ل َّ ي ْ ل ِ س َ ا ج ِ د ً ا وَقَائِمٌ سَاجِدَ وَقَائِمٌ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ อผู้ที่เขาเป็นผู้พักดีในยามค่ำคืนในสภาพของผู้ควมกราบสุยุธและผู้ยืนละหมาดโดยที่เขาหวั่นเกรงต่อพระโลกและหวังความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของเขาจะเหมือนกับผู้ตั้งภาคีต่ออลัลลอฮ์ระนั้นหรือจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าบรรดาผู้รู้และบรรดาผู้ไม่รู้ ะเท่าเทียมกันหรือแท้จริงบรรดาผู้มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะไข้ครวญจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด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 فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة อลดังนั้นพวกเจ้าทงมคบพักดีตามที่พวกเจ้าประสงค์ืื่นจากพระงองค์เถิดจงกล่าวเถิด ม, มูฮัมหมัดว่าแท้จริงบรรดาผู้ขาดทุนนั้นคือผู้ที่ทำตัวของพวกเขาเองและครอบครัวของพวกเขาให้ขาดทุนในวันขี่ย่างมาเพิ่งรู้เถิดว่านั่นคือการขาดทุนอย่างชัดแจ้ง สำหรับพวกเขานั้นมีชั้นของเปลวไฟนรกปกคลุมเหนือพวกเขาและเบื้องล่างของพวกเขาก็มีชั้นของเปลวไฟนรกอยู่ด้วย สิ่งนั้นแหละอัลลอฮ์ทรงทำให้ปวงบ่าวของพระองคกลัวโอ้ปวงบ่าวของข้าจงยำเกรงต่อข้าเถิดและบรรดาผู้ที่นี้ออกห่างจากพวกเจเวตเพื่อที่จะไม่ส ก, การะบูชามัน และหันไปจงรักพรกดีต่อโลสำหรับพวกเขานั้นมีข่าวดีแต่นั้นเจ้ามูฮัมมัดจงแจ้งข่าวดีแก่วงบ่าวของข้าเถิด บรรดาผู้ที่สดับฟังคากล่าวแล้วปฏิบัติตามที่ดีที่สุดของมันชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่เอาล้อสงชีแนะทางนําที่ถูกต้องให้แก่พวกเขาและชนเหล่านี้คือผู้ที่มีสติปัญญาไขว้ควน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 แต่บรรดาผู้ย่ำเกรงต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขานั้นสำหรับพวกเขาจะมีกระหดอันสงาโอโถงเหนือขึ้นไปอีกก็มีกระหดโอโถงสร้างไว้นะเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายหลายผ่าน มันเป็นข้อสัญญาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงบิดเบี้ยวสัญญา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 แคจริงในการนั้นย่อมเป็นข้อเตือนสติแก่ผู้มีสติปัญญาทั้งหลาย قلوبهم <ت ص في> قلوبهم อผู้ใดเพื่อลอลรงเปิดสวงอกของเขาเพื่ อ, อสลายและเขาอยู่บนแสงสว่างจากพระผู้อภิบาลของเขาเสมือนกับผู้ที่หัวใจบอดกระนั้นอยู่แต่นั้นความวิบัติจงประสบแด่ผู้ที่หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้างต่อการระลึกถึงอัลลอฮ์ชัวเหล่านั้นอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง الله h نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثليت قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم ت ل ي ن جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَن อลัลลอฮ์ได้ทรงประทานคํากล่าวที่ดียิ่งลงมาเป็นคำภีร์ครองจองกล่าวซ้ำๆกันผิวหนังของบรรดาผู้ที่เกรงกลัวต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะลุกขึ้นขึ้นแล้วผิวหนังของพวกเขาและวิจัยของพวกเขาจะสงบลงเพื่อรำลึกถึงอลัลลอฮ์นั่นคือการชี้ทางนําของอลัลลอฮ์ พรงจะทรงชี้ทางนำแก่ผู้ที่รพระองค์ทรงประสงค์และผู้ใดที่เอาล้อทรงให้เขาหลงทางดังนั้นสำหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้ทางนำให้เลยบ ดังนั้นผู้ใดที่ป้องกันใบหน้าของพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษอันชั่วช้าในวันขกียร์มาจะเหมือนกับผู้ปลอดภัยจากการลงโทษกระนั้นหรือจะมีเสียงกล่าวแก่บรรดาผู้อธรรมว่าจงลิ้รสสิ่งที่พวกเจ้าแสวงหาไว้เถิด บรรดาชนก่อนหน้าพวกเขาได้เคยปฏิเสธมาแล้วฉะนั้นการลงโทษได้มีมาอย่างพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้ติดตัวา ด, าดังนั้นอลัลลอฮ์ส่งให้พวกเขาลิมรสความอัปยศในชีวิตความเป็นอยู่ของโลกนี้ และแน่นอนการลงโทษในประโลกนั้นยิ่งใหญ่กว่าหากพวกเขาได้รู้และโดยแน่นอนเราได้ยกทุกทุ ก, ทกอุทาหรณ์ในอัลกุรอานนี้สำหรับมนุษย์เพื่อพวกเขาจะได้ใข้ขวด คุรานเป็นภาษาละตินโดยไม่มีการคดเคี้ยวเพื่อพวกเขาจะได้ย้ำเกร็ง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 แต่พวกเขาส่วนมากไม่รู้ออินนกมมแท้จริงเจ้าจะต้องตายและแท้จริงพวกเขาก็จะต้องตายตุมมมนนนอินอนอยและแท้จริงในวันกิยามันั้นพวกเจ้าจะถกเถียงกันต่อหน้าพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า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 ส่วนผู้ที่นำความจริงมาและเขาได้เชื่อมั่นต่อความจริงนั้นชนเหล่าลนี้แหละคือบรรดาผู้ยำเกรง สำหรพวกเขานั้นจะได้สิ่งที่พวกเขาต้องการหน้าที่พระผู้อิบาลของพวกเขานั่นเป็นการตอบแทนกาบรรดาผู้กระทำความผิดเพื่อที่อัลลอฮจะทรงลบล้างความชั่วที่พวกเขากระทำไว้ออกจากพวกเขา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 ขืนจากพระองค์และผู้ใดเพื่อล้อทรงให้เขาหลงทางสําหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้ทางนําใดๆอีกเลยและผู้ใดเพื่อล้อทรงชี้ทางนําให้ก็ไม่มีผู้ใดจะทําให้เขาหลงทางไปได้ อัลลไม่ใช่ผู้ทรงเดชานุภาพผูพ้ทรงตอบโตอย่างเด็ดขาดหรื الله, อ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 สิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์นั้นหากอัลลอฮ์ประสงค์จะให้มีความทุกข์ยากแก่ฉันแล้วพวกมันจะปลดเลื่องความทุกข์ยากของพระองค์ได้ไหม่หรือหากพระองค์ประสงค์จใจความเมตตาแก่ฉันแล้วพวกมันจะยับยั้งความเมตตาจากพระองค์ได้ไหม่รงกล่าวเถิดงวงมัดว่าเราทรงพอเพียงแก่ฉันแล้วแต่พระองค์ท่านเท่านั้น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 ผู عليه ้ที่การลงโทษจะมายังเขาก็จะทำให้เขาอับปยและการลงโทษตลอดกาลก็จะประสบแก่เขาอินน่าอัลลอฮฺ عليه السلام كتاب นัสบิลหัก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 เขาก็จะหลงอยู่บนทางที่ผิดและเจ้าก็ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อพวกเขาอัลลาอฮฺเจาะฟัลลอันฟฺุซ์ฮีนมะอุสฮฺวัลละทีลัมะมุตฟีมะนามิฮาฟายุมซิคุลทีกัด้าอะลัยฮฺมะอุตวยุบซีลุลอุคราอิลาอะจลิมมะัมมา <IN C IS ON> อันนลออออลอฮ์ทรงปลิดชีวิตในยามที่มันจะตายและมันจะยังไม่ตายในขณะนอนหลับพระองค์จะ ท, ทรงปลิดชีวิตตามที่พระองค์ทรงกำหนดความตายให้แก่มันและพระองค์จะทรงยืดชีวิตอื่นๆไปจนถึงเวลาที่ถูกกำหนดไว้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 และพวกมันก็ไม่มีสติปัญญากระนั้นดีคุณกล่าวเถมมิดมอมัทว่าความช่วยเหลือเป็นสิทธิของอัลล่ะโดยสิ้นเชิน อ, อำนาจแห่งบรรดาชันฟ้าและพันดินเป็นสิทธิของพระองแล้วพวกเจ้าจะถูกนํากลับไปอย่างพระองค์ وإذا ذكر َِ الله وحده شما أزجت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر َِ الذين من دونه إداهم يستبشرون แต่เมื่อพระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวเพียงพระองค์เดียวจิตใ จ, จของบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันอาคิอรอก็รังเกียจ แต่เมื่อบันดาเว็ตถูกกล่าวอื่นจากพระองค์เมื่อนั้นพวกเขาก็ดีใจอุลิลลัฮุมมะฟาอุบสมาวะติแัลอฮรงรองลึกลัละชั้ัทธาท่านเปนผูทรงปกคะวาันเปทอะาานีตนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าโอ้อัลลอฮ์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 และหากว่าบรรดาผู้อาธรรมมีสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดและมีเยื่อนั้นอีกด้วยแน่นอนพวกเขาจะขอไถด้วยสิ่งนั้นให้พน้นจากการลงโทษที่ชั่วร้ายในวันเจียมะแต่สิ่งที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยก็คือ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 فإذا مس الإنسان ضدة عنا ثم إذا خ و ن ا ه نعمة منا َ ا ل ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أتيته على علم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 เอา ว, วขาไม่รู้ดอกว่าอัลลอฮ์ทรงแผ่ปัดใจยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงให้คับแคบ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 จากพระผู้พิบาลของพวกเจ้าปวาที่การลงโทษจะมายัางพวกเจ้ายัางฉับพลันโดยที่พวกเจ้าไม่รู้สึกตัวญญ ال ชีวิตหนึ่งจะกล่าวว่าโอ้ความหายนะจงประสบแก่ฉันอันนึ่งด้วยฉันได้ทอดทิ้งหน้าที่ที่มีต่อรอ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 หรือชีวิตนั้นจะกล่าวขณะเห็นการลงโทษว่ามากว่าฉันมีโอกาสกลับไปสู่โลกนี้อีกครั้งหนึ่งฉันก็จะอยู่ในหมู่ผู้กระทำความดี Allah ตรัสว่าเปล่าเลยแน่นอนสัญญาณทั้งหลายของข้าได้มาอย่างเจ้าแล้วแต่เจ้าได้ปฏิเสธมันและเจ้าได้ยิงยะโส และเจ้าได้อยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธศรัทธาและในวันกิยามะเจ้าจะเห็นบรรดาผู้กล่าวเท็จต่ออโลโดยที่ใบนหน้าของพวกเขาดำคล้ำ ดังนั้นที prayed, ika, so ่พำนักสำหรับบรรดาผู้หญิงยะโสนั้นมิใช่นรกดอกหรือและล้วเรงให้บรรดาผู้ยำเกรงรอดพ้น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 ي ي าการควบคุมกิจการแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของกรมและบรรดาผู้ปฏิเสธสัญญาณทั้งหลายของอ AH, ัลลอฮ์ทนเหล่านั้นคือพวกขาดทุน จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าใช้ฉันเคารพส ก, การะสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์กระนั้นหรือโอ้กวงบ่าผู้โง่เขลาเอ๋ยแลวับกพระับใช้ท่านัลยัท่านั้ลอนัชระับนทลีนับขา แต่โดยแน่นอนได้มีองค์การมายัางเจ้าและยังบรรดานาบีก่อนหน้าเจ้าหากเจ้าตั้งพาคีต่ออัลล์แน่นอนการงานของพวกเจ้าก็จะไร้ผลและแน่นอนเจ้าก็จะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุดมมนแต่ว่าจงคารบพักดีอัลลอ์และจงอยู่ในหมู่ผู้กระตันอยู่เถิด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 และบรรดาชั้นฟ้าจะม้วนกลิ้งด้วยพระหัตถ์ข้างขวาของพระองค์มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์และพระองค์ทรงสูงส่งเหนือสิ่งที่พวกเขาตังา้งภาคี และแสงได้ถูกเป่าขึ้นแล้วบรรดาผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจะล้มลงสิ้นชีวิตเว้นแต่ผู้ที่อัลละฮประสงค์แล้วสังได้ถูกเป่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกเขาก็ลุกขึ้นยืนมองดู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 فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم؟ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم يسلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا. ลลลและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกไล่ต้อนไปสู่นรกเป็นกลุ่มๆจนกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงประตูทั้งหลายของมันจะถูกเปิดออกอยามเข้าประตูนรกจะกล่าวแก่พวกเขาว่าบรรดาหอดซูลของพวกเจ้าไม่ได้มาอย่างพวกเจ้าเพื่ออ่านสัญญาณต่างๆ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 و و และบรรดาผู้ยังเครงพระพวกวิบาลของพวกเขาจะถูกนำสู่สวนสวรรค์เป็นกลุ่ม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 َقَالُ الْحَمْدُ لِللَّاهِ صَدَقَنَا وَعْدَهُ และพวกเขากล่าวว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอ ل ลลอผู้ซึ่งได้ทำให้สัญญาของปรงสมจริงแก่พวกเรา